ขอความสุขความเจริญต้งวิหลายท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุกมกาลังนำเสนเอโมกขาลานสูตรคือสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระโมกขาลานะหลังจากที่ท่านได้บวชแล้วเจ็ดวันไปนั่งงกง่วงอยู่ที่ หมู่บ้านกัลละว่ามุตระคมในแนคว้นมคตก็ได้กล่าวมาสองช่วงดวบช่วงต่อไปนั้นรับสั่งว่าลูกกอนโมคลานะพิสูในธรรมินาย น, นี้ได้ระดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น กรรมานทำทั้งปวงโดยสรุปก็คือขันท่านะครับก็อย่างที่เราสวดว่าสังคิตเทนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั้นเองเป็นความทุกข์พาะคำว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น รทำทั้งปวงนี่มันสรุปรวมลงที่ขันทั้งห้าครั้นได้สดับดังนั้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งมาความมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาขันทั้งห้าหรือสรุปรวมเป็นนามารูปตํ้หลักของความเป็นจริง ว่าโดยทั่วไปแล้วเรามีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงในขันทั้งห้าก็หมายความว่าบุตรชนทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละเกิดเราจะเห็นคลาดเคลื่อนในสี่เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือมองเห็นสังขารซึ่งเป็นของปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามเขาเรียกว่าสุภาวิปลาส หมายความมาเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามประการที่สองเรียกว่านิจวิปรุราตคือมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของเทียงแท้แน่นอนมองเห็นสิ่งที่ เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรียกว่าสุขะวิปลาด ท, ท, ทั้งๆที่ความจริงมันก็เป็นทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้บังเกิดขึ้นทุกข์เระคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกข์เพราะมีการแผดเผาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ทุกเพราะมีความเร่าร้อนเพราะในความเร่าร้อนที่ปรากฏทั้งแก่กายและแก่จิตที่เราเรียกว่าเวทนาเวทนาจิต ท, ที่เสวยอารมณ์เป็นสุกตามเป็นทุขกขตามไม่จะทุกข์ไม่จะสุกตามเราเห็นกันอยู่แต่ว่าพอดีในพวกเหล่านี้ แต่สุภาพิประาชเนี่ยคือเราไปสร้างค่านิยมให้เห็นเป็นของสวยงามคล้ายกับการตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยกรรมวิธีต่างๆในปัจจุบันจนพัฒนาไปเป็นพวกสัญญกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าความรู้ในด้านนี้ต่อไปก็จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ใครที่มีฐานะบางครั้งร่ำรวยก็ทำสัญญกรรมปราสติกทำสัญญกรรมตกแต่งโดยวิธีการกตา่างๆแล้วก็หลอกตัวเองว่าสวยงามก็หลอกซ้ำซากอะหลอกตัวเองหลอกคนอื่นหลอกวงศาขนายใญแต่พอเป็นค่านิยมแล้วมันยอมรับนะรับ คือยอมรับกันเป็นการสา ก, กลใจก็กำหนดหมายอารมณ์โหลดนั้นว่ารูปสวยสิงไพ ร, ร์กลินหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเป็นต้นในส่วนของความไม่เที่ยงนั้นเพราะว่า มันมีสันตติคือการเกิดที่ต่อเนื่องกันไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปอยากก่างกระแสไฟที่เราเห็นเนี่ยได้จริงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปปิดบังเอาไว้ก็ทําให้เราเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนทีนี้ความทุกข์นั้นท่านเน้นไปที่ทุกขเวทนาเป็นหลักโดยเน้นเห็นว่า แต่การที่เรามีการถัดเปลี่ยนอิเดียบทยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิเดียบทไปเรื่อยๆยเนี่ยเราก็บรรเทาความทุกข์ได้ไปเรื่อยๆแล้วตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเช่นว่าหนาร้อนหิวกระหายปวดอุดใจระปวดประสาทว่างงนอนแก่เจ็บตายเราก็บรรเทาได้อยู่เรื่อยๆรื่ยจึงเข้าใจว่าเป็นความสุขเรามองเห็นสิ่งที่ เป็นอนัต ต, อตาอนัตตาว่าเป็นอัตตาพอมันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนร่างกายเราถ้าเรามาสําชำระออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็หาร่างกายไม่เจอแต่พอมันเกาะกลุมกันเป็นก้อนเราก็ไปคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็จะเห็นว่า ทั้งนอกตัวเราและในตัวเรานอกตัวเราเช่นของเราของเราของเราตลอดทึ้งตัวตนของเราเนี่ยญาติของเราครอบครัวของเราพี่น้องของเราทรัพย์สินเงินทองของเราหรือสวนรายนาของเราอะไรต่างๆเราก็จริงมันก็ไม่ใช่ของเราเปนของยืมชั่วคราวแล้วเราก็ต้องทอดริงไปหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็สมงหมดบัญญัติขึ้น แล้วก็จบลงที่เราเล็กกว่าโลงทุกคนใหญ่โตมาอย่างไงก็ไม่รู้แลหละในที่สุดมันก็เล็กกว่าโลงเท่านั้นแต่ว่าตราบใดมันยังเกาะกลุ่มกันอยู่สังคมยอมรับกันอยู่สังคมให้ความสำคัญกันอยู่เราก็ยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ การยึดถือเหล่านี้ถ้าถึงระดับชิขริแล้วยากทั้งนั้นยากต่อการจะคลี่คลายยากต่อการจะแก้ไขเพราะการยึดถือมันอาจจะอยู่ในระดับของเรียกว่าสัญญาคือการการโนดหมายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเป็นความคิดที่เรียกว่าจิตตะวิปัลลาคือจิตมันคิดเอา จิตเป็นปรุงคิดคิดปรุงเอาเด็เข้าใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าถึงทิฏฐิวิปลาดแล้วก็ยากยากต่อการจะแก้ไขเพราะในความรู้สึกีแท้แน่นอนเนี่ยเรายังรู้สึกปรารถนาอยู่จึงว่าการแสวงหายาว ย, ยุทธนากนโด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อตองการในสังขารมันเที่ยงแต่ก็ยังไม่มีใครเคยเที่ยงเรามีตำนานเล่าขานกันในเวทวงของสังคมไทยส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องผู้เครื่องรางของขลังเช่นว่าพระครูโลกอุดอรเนี่ยวันก่อนก็เคยอ่านหนังสือ ถามว่าเป็นใครเขาบอกว่าคือพระอุตรระประสูนาพระอุตรระนี่ก็แสดงว่าท่านก็อยู่มาสองพันกว่าปีแล้วแต่เขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นล้วเคยพบกับหมอที่โรงพยาบาลวิเชยุตเอารูปอะไรมาให้ดูเลยว่าเป็นพระครูโลกอุดรหรือหลวงพ่อโลกอุดร เราก็เชื่อกันอย่างนี้แต่ว่าได้แง่ของความเป็นจริงแล้วมันไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนถาวรขนาดนั้นหรอกถ้าท่านบรรลุอารหัตเป็นพรานไปแล้วท่านก่อนนิพพานไปแล้วหรือแม้จะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งท่านก่อนนิพพานมันหลีกเลี่ยงไปจุดแตกดับไม่ได้หรอกการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าตรใดที่ความปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดอคงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แหละจะรับสั่งว่าขั้นรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงขั้นกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วก็ได้สเสวยเบทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่จะทุกข์ไม่จะสุขก็ดีย่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเบทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความกำหนัดในเวทนาคลายความกำหนัดในเวทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละกคืนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อยู่ย e ่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลก ทีนี้ประเด็นที่ส่งยกมาเนี่ยคือกำหนดรู้เวทนาหมายความว่ากำหนดรู้ทุกข์กษัตริย์จัละเวทนาก็เป็นหนึ่งในทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะเขตปักใจเราคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการ เป็นแปลงอยู่ทุกขณะมีการแผดเผาด้วยปัจจัยต่างๆแล้วก็มีความร้รอนดังกล่าวผลรเวทนาจะเป็นสุกตามเป็นทุกขตามมนจะทุกข์ไม่จะสุกตามพวกนี้ก็สอดคล้องกับธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ผู้กุรานชดินที่เสริมเริ่มต้นว่า ตักรรทีส่สุทังหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็เรียงอายตนาภายในรูปตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจอายตนาภายนอกรูปเจยงดินรปุระพาธรรมรกแลก้วก็ก็วิญญาณก็เป็นของร้อนวิญญาณก็คือวิญญาณทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจ สัมผัสก็เป็นของร้อนคือการกระทบ่างตาหูจมูกเรนกายใจเวทนาก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้ อ, รอนเพราะโมหะร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความโศกเพราะความรำไรรำพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจ ก็สรุปออกมาที่ง่ายๆก็คือที่ส่งแสดงบ่อยเนี่ยคือสุขทุกข์อาทุกขก็มาสุขหมายความว่าธาตได้เสวยเวทนาที่เราพอใจเราก็เป็นสุขถ้าเสวยเวทนาที่เราไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ถึงก็พอใจหรือไม่พอใจมันก็ไม่แสดงอาการทุกข์สุขออกมาแต่เวทนาที่เราเสวย ตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็มีสามเรื่องอย่างนั้นถ้าแม่รายละเอียดก็มีอยู่สามเรื่องเท่านั้นเองตอนย่อมย่อมพิจารณาเห็นว่าเวทนาจริงๆมันไม่เชี่ยงเช่นว่าดู ด, ดูสุขที่มันปรากฏแก่กายก็ได้แก่จิตก็ได้มันเป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เห็นว่านั่งใหม่ใม่สบายพอร่งไปหน่อยหนึ่งก็เริ่มเมื่อยแล้วเริ่มไม่สบายแล้วจากอิทธิาบาทของพระเรานี่เราจะเห็นว่านั่งไม่สบายนั่งพับเพียบก็พลิกไปพลิกมานั่งกัดสมาธิก็พลิกไปพลิกมานั่งประยุง เรพริกไปพิกมาเราทนอยู่ไม่ได้เสียอ้ยาบทมันไม่สุกแท้มันไม่ทุกแท้มันไม่ใช่ไม่ทุกไม่สุกแท้แต่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้ามาเดือนนี้เราจะพบว่าแม้ในการเจริญกรรมาฐานในที่บางแห่งก็ให้นั่งเก้าอี้แหละ เพราะาจากการแนะนำของแพทย์เนี่ยสแสดงว่าอยาบทที่เรานั่งเนี่ยมันทำให้ลมเดินไม่สะดวกแล้วก็แม้แต่พระอาจารย์กับประานใหญ่บางทีท่านก็ไปนำมาผ้านำมาพุทธไปเลยก็มีอยู่บ่อยๆเพราะว่าอิยาบทมันไม่เสมอนั่นก็สแสดงให้เห็นว่า เวทนามันก็ปรากฏชัดเจนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ออกมาชัดเจนแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเจ็ดวันนั่งไปนอยเหน็บชาเน็บสากินก็พลิกอาการเหน็บชาก็ค่อยๆหายไปอาการเน็บนะฮะอาการ เ, าเป็นเน็บเนี่ยเป็นตะคิวี่มันก็ค่อยหายไป ไปนั่งเป็นระยะหนึ่งก็สบายนั่งไปอีกระยะหนึ่งอา้าวเริ่มจะมีข้าวแล้วชัจกจะเดบเดบขึ้นมาอีกแล้วจะ ต, ต้องการสบายก็พกลิกละอย่างพระสวดปาติโมกในควางปาฏิโมก ค, คือตอนเราสวดเองเนี่ยมันเราสนใจในบทสวดแล้วธรรมะมันเล็กนะ่ะมันพลิกยาก ก็ต้องทนไปจนสวดๆๆจบปีส่บ้านาทีนี่จบเวลงบางทีก็ต้องกขาลงมาเหมือนกันเพราะว่ามันชาไปข้างหนึ่งพอเรามานั่งฟังเนี่ยฟังคนอื่นสวดแต่ที่มันกว้างขึ้นมันมีน้อยมากที่เรานั่งได้ตลอด ครั้งเดียวโดยไม่พริกเนี่ยมีน้อยมากหมายความวันนั้นสุขภาพดีนะคือมันปวดเหมือนกันแต่ทนได้เราก็ทนไปต้องการเยาชนะความเจ็บปวดเราทั้แต่มันก็สอนว่ามันเป็นของไม่เที่ยงดำรงอยู่นานไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นแหละมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ทนเวทนาเหล่านี้เราเก็มองเลยไปจนถึงว่าไอ้สุขเวทนาระดับมนุษย์ซึ่งก็มีความแตกต่างกันขึ้นไปแต่ที่เหมือนกันคือไม่เที่ยงเดือวกันสุขเวทนาของเศรษฐีมหาเศรษฐีของประชาช า, ากษัตริย์อะไรต่ออไรเหมือนกันหมดเลยคือไม่เที่ยงเดีวยวกันเราไปดูสุขเวทนาระดับเทพ แล้วก็มีเวทนาของท่านอีกระดับนึงคือไม่ที่ยงเหมือนกันเป็นพรหมเป็นอรูปประพรหมไปก็เหมือนกันน่หะในความาตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงที่ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนาดีก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี เวทนาเหล่านั้นก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงทีนี้พอพิจารณาไปพิจารณาไปเอ๊มันไม่รู้จะคว้าไปเวทนามันก็คือกันแหละมันก็คือกันก็ํานองใกล้ายลกับว่า แต่๋วบาคนก็เลี้ยงไอเอสครีมเนี่ยเอามาให้หลายชนิดเลยแต่เรารู้ว่าไอเอสกรีมนี่มันไม่เที่ยงปรเดี๋ยวมันละลายหมดและไม่มีมนุษย์ไหนที่กินได้หมดเพราะเราจะไม่อยากได้ไม่อยากได้ไอเกสรีมจํานวนมากขนาดนั้นเราต้องการจะกินก็กินพอได้ ก็กินในฐานะของหวานจำนวนหนึ่งถึงก็ต้องไม่มากเกินไปอีกละเพรามันก็แสลงโรคอยู่เพราะอะไรเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเกยวไว้ก็ละลายหมดเขาให้ของบางอย่างที่เราเห็นว่าเดี๋ว่าให้ผลไม้กั บ, บังสุกเนี่ยให้เราถือเดินทางมา แต่มายังไปต่างจังหวัดก็ดีไปต่างประเทศก็ดีใครให้ไรไม่เอาขี้กเกยียจขี้เกยียจพกพาขี้เกียจไปบุญมันแม้แต่ไปเทศต่างจังหวัดเช่นไปเทศเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาก็ถวายเข้าของอะไรไม่เยอะบอกไม่เอาเรายมไว้ที่นี่แหละขี้กเกยียจเอาลบาบากประปรายขึ้นเครื่องบินต้องขนขึ้นข น, ข น, ข น, ขนลงยุ่งเสียเวลา ที่นี่ก็ใช้ได้สาเร็จประโยชน์เหมือนกันเพราะเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือเป็นของใช้ชนิดตึงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆแล้วก็แตกสลายไปในที่นี้ที่ทรงสอนให้ดูเวทนาเนี่ยมันยังมองว่าสืบเนื่องมาจากพระโมกขลานะธานังง่วง ง่วมันก็เวทนาอย่างหนึ่งอ่ะและว้วก็ยังยึดโยงกันอยู่กับเรื่องของพระเทวานี่ยทีนี้เราจะเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาปเปิดความไม่เที่ยงไม่รู้จะคว้าไปทําอะไรอะ่ะเลยก็เบื่อหน่ายคลายกันนะมันคลายแบบไหนอะ่ะคลายแบบอย่างที่พระพุธทธเจ้าทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นเอง ก็เป็นเทวทูตแล้วมองมาที่พระองค์ก็แก่เจ็บตายมองไปที่พระเทวียโสธราเทวีก็แก่เจ็บตายมองไปที่พระราชาบิดาก็แก่เจ็บตายมองไปใครๆก็แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็ตายทั้งนั้นเอ้โลกนี้มันก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าชื่นชมไม่น่ารื่นรมไม่น่าพิศวาสอะไรมันใกล้ๆก็อยู่ท่ามกลางป่าช้านะ่ะ คนก็ตายให้เห็นกันด้วยอย่างในประเทศอินเดียนีช่ชติมากที่ท่าทัศน์อโเมตเนี่ยท่าที่เขาพอศพเนี่ยคนมานอนรอคิวเป็นข้า<อ>บางคนหัวใจยังเต็ดอยู่เลยบางคนยังพูดได้อยู่เลยแต่มารอเผาตรงนี้คือจะล้างบาปในแม่น้ำคงคา ตายใหม่ๆนั่นแหละก็ยกแคร่ขึ้นไปแช่ในแม่นางพงคาแล้วก็วางช่งตะก่อนนืกจากคิวมันยาวอะ่ะบางทีพอไม่ทันหมดหรอกก็โกยทิ้งเลยก็ถือว่าได้จำราล้างบาปหมดอะ่ะบางเกิดในสวรรค์แล้วก็เป็นความเชื่อของเขาพอตอนถ้าเราคิดเราจะเห็นว่าเราจับอะไรสักอย่างเนี่ย ที่ทรงใช้คำว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจับอะไรสักอย่างแล้วจะเห็นสังขารทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงตัวนี้ทรงหยิบเฉพาะเวทนาขึ้นมาเปื้อนรอยตามจะดิตอัตยาศัยของพระโมคคลลานะก็แล้วแต่จะทรงแสดงแก่ใครอะ พอคลายกำหนัดแล้วก็พิจารณาเห็นความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ในที่สุดจริงๆมันก็ดับดับดับดับดับมันมีแตะดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็เห็นแต่ดับดับดับดับคล้ายๆกันน้าตกมาจากที่สูงมันไม่มีทางขึ้นไปข้างบนอ่ะมัลงมาข้างล่างอยู่เลย ชีวิตของเราก็ไหลไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกพอไม่ยึดนั่นถือมั่นอะไรในโลกเนี่ยมันมองสิ่งทั้งหลายสักว่าสักว่ารู้สักว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสักแต่ว่าอารมณ์เห็นมีอะไรเว้น ม, มีสาระอะไร ไม่เห็นมีแกนสารอะไรก็คล้ายๆกับตอนประวัติพระสารีบุตรก็ที่พูดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีประทัยเสมอได้ดินเสมอได้น้ําเสมอได้ลมเสมอได้ไฟเสมอได้อากาศมันไม่มีจิตให้คิดว่าเราเจ็บเราปวดโรคเบื้อน มีคนทิ้งสองของสกปรกลงมามีทิ้งคนทิ้งของสะอาดลงมาอะไรแต่ไรเนี่ยไม่มีเราเข้าไปรับเพราะว่าเรามันไม่มีอะกกิเลสเป็นเหตุให้เกิดเรามันไม่มีเมื่อไม่ยึดมัน่นความไม่สะดุง้งย่อมไม่สะดุง้งหมายความว่าถ้าเราไม่ยึดมัน่น เสมมติว่าเด็กดาเราเนี่ยเด็กเล็กๆกระดาเราเนี่ยเราไม่ยึดมัน่นกระดาจจะเจ็บเราก็ไม่สะดุ้งอะไรไม่ไปเดือดร้อนอะไรอย่างน่ารักสิเด็กจะน่ารักสิมันก็อยู่ที่เรายึดหรือไม่ยึดเท่านั้นเองไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เอาเรื่องคนป่วยถ้าเราสังเกตถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้แล้วเราไม่สะดุง้ง จะอะไรกับคนป่วยจะอะไรกับคนเมาจะอะไรกับคนบ้าจะอะไรกับเด็กจะอะไรกับคนแก่จะอะไรกับคนใจผิดปกติอะไรต่างๆมันมันมีได้เยอะเลยเราคิดได้เยอะแต่เราคิดได้ไม่หมดปัญหาใหญ่ในใจของเรานี่ก็คือเราคิดได้ไม่หมดแต่พระหันท่านมองได้หมด เพราะมองสักว่าสังขารสักว่ารูปสักบเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณท่านน่ะเด็กมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างที่พู้เจ้าทรงแสดงสรุปสั้นๆแล้วก็ต่อเนื่องกันไป ให้พิจารณาว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นไม่ใช่ตัวฉันตนรูปใดไม่ใช่ตัวฉัตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวฉัตตนของเรา พอถงเวทนาก็พิจารณาเดียวกองสร้างเดียวกันสัญญาก็โครงสร้างเดียวกันสังขารก็โครงสร้างเดียวกันวิญญาณก็โครงสร้างเดียวกันสรุปแล้วว่าขณะเป็นของไม่เที่ยงขณะใดไม่เที่ยงขาน่านั้นก็เป็นทุกขาน่าใดเป็นทุกขาน่ะนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ขนานใดาไม่ใช่ตัวใช่ตนขนาน่านั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราก็พิจารณาด้วยปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้พอไม่สะดุ้งเนี่ยผู้ไม่สะดุ้งจริงๆเนี่ยมันมีได้เฉพาะปร า, ารหันเท่านั้นเองคือคนเราส่วนหนึ่งนี่สะดุง้งแม้แม่แต่ทหารกล้าที่รบในสงครามต่างๆที่จริงส่วนหนึ่งก็สะดุง้ง แต่ว่าคนที่ไม่สะดุ้งเนี่ยต้องไม่มีกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นเหตุให้สะดุง้งมีความเยื่อใยในตัวเองก็สะดุง้งมีความเยื่อใยในบุตรปัญญาก็สะดุง้งมีความเยื่อใยในทรัพย์สินก็สะดุง้งมีความเยื่อใยในความเป็นอยู่ก็สะดุ้งมีความเยื่อใยในชีวิตก็สะดุง้งมันก็เยอะแยะไปหมดเหตุให้สะดุง้งทีนี้พอไม่สะดุง้ง ก็ย่อมไปนิพพานเฉพาะตัวทีเดียวหมายความว่าใครไม่สะดุ้งคนนั้นก็ไปนิพพานแต่คนที่อย่างสะดุ้งก็ไม่ไปนิพพานด้วยตัวนิพพานไปนเรื่องเฉพาะตัวใครปฏิบัติถึงจุดนั้นก็นิพพานแต่ว่าชวนใครไปไม่ได้นะพาใครไปไม่ได้พาไปนิพพานไม่ได้นะพาไปสวรรค์ยังได้เลย อย่างพระพุทธเจ้าพระพร า, พานนไปชมสวรรค์เนี่ยพาไปได้หรือพระอรหันต์ท่านไปพรหมโลกไปธรรมานพักกาพรหมตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปก็ไปได้แต่นิพาในต่างคนต่างไปมันไม่มีที่ให้ไปแล้วก็ไม่มีตัวตนไปไม่มีตัวตนซึ่งเป็นผู้ไป แต่ก็มีมีการไปมีการบรรลุเรียกว่านิพานนิพานเราจรึงเรียกว่าบรรลุก็เรียกว่าถึงเลยถึงที่ไหนถึงจิตจิตจิตอะไรล่ะจิตที่ดับกิเลสได้กระดับทุกข์ได้มันก็ถึงนิพานเลยตอนตั้นจึงทายคําว่านิพานเรียกว่าบรรลุนิพาน หรือบางทีก็ไปสู่ น, นิพพานอันนี้ภาษาในรุ่นหลังและภาษาท่านบาลีเนี่ยท่านใช้คำามาบรรลุอย่างนั้นจะเป็นยังไงล่ะก็เหมือนกับที่กล่าวเรื่องพระปัญญวคีคือตรงนี้เหมือนกันหมดานะเหมือนกันหมดทุกๆทุกๆรูปทุกๆนามคือจะเหมือนกันทั้งหมด ยอมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดในกําเนิดทั้งสี่ชาติในที่นี้คือความเกิดในกําเนิดทั้งสี่นะครือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นผุดขึ้นเนี่ยมันเยอะอบายบางอย่างพวกเบรดพวกสัตว์นรกพวกอสุรกายเนี่ยมันเกิดโดยผุดขึ้น เทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดอรูปพรหมทั้งหมดเนี่ยเกิดโดยผุดขึ้นเราลองสังเกตนะว่าไม่มีโลกุตระภพไม่มีพบเป็นที่เกิดโลกุตระภพเป็นที่เกิดเพราะว่ามันพ้นจากกำเนิดทั้งสี่ ไม่มีกำเนิดที่ห้ามันมีกำเนิดมีสี่เท่านั้นเองแต่มันเป็นภูมิจิตเป็นภูมิของจิตเป็นชั้นของจิตเป็นระดับของจิตแต่ไม่มีพบเป็นที่เกิดของจิตเพราะไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณจะถามว่าเป็นรูปไหมก็ไม่มีรูปแต่เป็นนาม เป็นนามาธรรมจะจะพูดแล้เข้าใจก็ต้องเป็นนามาธรรมแล้วก็พรหมจันทร์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายพรหมจันทร์เมื่อกล่าโดยสรุปก็ที่จริงก็คือดำเนินชีวิตไปบนวิถีของอริยมรรคเปองแปดประการนั่นเอง เป็นทานเป็นศีลเป็นวัยาวัจจไมเป็นการฟังธรรมเป็นการแสดงธรรมเป็นการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเจริญพรหมบิหารไปเรื่อยไปนะฮะจนถึงศาสนาพรหมจรรันทร์หมายความว่าการปฏิบัติตนาำหลักของพระศาสนาก็โดยการกาหนดรูทุกละสมุทยัย ทำให้แจ้งในดโรถแล้วก็เจริญมากนั่นเด็กมันไม่ต้องทำอะไมันเสร็จแล้วพรหมจารย์ก็จบจบในส่วนตัวเองเขาเรียกเสร็จจิตในส่วนตัวเองแต่ว่าจิตที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พระพุทโพรหมจารย์ให้ดาเนินไปบนเส้นทางเดียวที่ท่านดาเนินไปนั่นเป็นภารกิจ ของผู้กรุณาต่อสรรพสัตว์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทําอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างที่พระหันทั้งหลายท่านทํานั่นแหละแล้วก็กิจที่ควรทําควรทําที่เกี่ยวกับราชั่วประพฤตินะไม่มีแล้วพอทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือแนวเดียวกัน ไม่มีอีกต่อไปแนวราชูประพฤติดีเดียไม่มีอีกต่อีกต่อไปเพราะงั้นเพราะอะไรเพราะว่าการไม่ทําบาต ท, ทั้งปวงก็สมบูรณ์แล้วการทํากุศลให้สมบูรณ์ก็เสร็จแล้วการตัำจิตได้ผ่องแพ้วก็พ่องแผ้วหมดแล้วมันมันมันมีภารากิจอะไรไม่มีภารากิจอะไรที่จะต้องทํากับสิ่งเหล่านั้นรับสั่งว่าดุก่อนโมคละ มุคลาณนะโดยย่อดโดยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลพิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาก็กลับไปที่ประเด็นคำถามของท่านนะฮะกลับไปที่ประเด็นคาถามของท่านคือคำถามเนี่ยคาตอบเนี่ยมันก็สืบเรื่องมาจากคำถามของของพระเถระซึ่งถามแล้วต้องอธิบายท่านถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงไรหนอพิสู่จึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสมเ็จร่วงส่วนมีที่สุดร่วงส่วนประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็หมายความมาต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหันจึงจะถึงจุดที่ท่านถามปัญหานั้น ทีนี้รับสั่งว่ามีความสมเร็จร่วงส่วนเป็นผู้กเกษมจากโยคะร่วงส่วนสิ้นตัณหาสิ้นตัหาก็คือดับตัณหาดับการตัณหาดับภาวะตัณหาดับวิภาวะตัณหามันก็ถือว่ามีความสมเร็จ สำเร็จที่สมบูรณ์สำเร็จที่สมบูรณ์เป็นผู้เกษมจากโยคะล่วงส่วนคือสำเร็จจากโยคะโดยสิ้นเชิงโยคะนั้นไม่เหลืออยู่ต่อไปโยคะที่ยิงกระตันหามก็ผู้เดียวกันนั่นแหละคือการมโยคะโยคะคือกามเพราะว่าโยคะโยคะคือเพร ทิโตคะโยคะคือชิตชิชิตชิโยคะโยคะคือจิตชิวิโชคะโยคะคือวิชาเราะฉนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้มันก็เมือมีรากง่ามาจากวิชาจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยการดับสัณหาก็คือดับวิชาดับโยคะก็คือดับวิชาดับอัสสาก็คือดับวิชา ดับอุปาทานก็คือดับพระวิชาคือมาความอาวิชาต้องดับด้วยแหละถ้ายังอื่นดับไปโดยอวิชาไม่ดับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะวิชามันเป็นร่างงาของสัรพกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นพรหมจรีที่สูงสุดสุดยอดของพรหมจรีคือผู้ประพฤติพรหมจร์ที่สูงสุด มีที่สุดล่วงส่วนหมายความว่าไอ้สุดยอดในทางเดินของมนุษย์เนี่ยมันต้องหลุดโลกหลุดพ้นไปจากกระแสดึงดูดของโลกจึงคนที่เข้าถึงอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นและถ้าเป็นอย่างนั้นก็ประเริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ยถ้าอาจจะเป็นเทวดาก็ได้อย่าไปรบก็ได้อย่างพ่อสุทธาวาสอย่างเงี้ยท่านก็เป็นพระอาหารหันต์อยู่เยอะที่ตันบรรลุอมักผลเป็นพระหันต์อยู่ที่สวรรค์ท่นานพระมโลกแห้นสุทธาวาสเนี่ยก็เป็นพระหันอยู่เยอะก็ไม่ได้จอดจงว่าเป็นมนุษย์อย่างเดียวใครก็ไม่รู้นะ ไกลไปนัวที่ทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคไปองแปดประการได้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นประเสริฐที่เกี่ยวกับพระโมคคัลลานะ แต่ทีนี้พระสูตรนี้เนื่องจากเป็นพระสูตรยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเทราพระอาจารย์ท่านจึงมีประเด็นในการอธิบายไว้อีกสามหน้านะฮะสามหน้ากระดาษแต่ละประเด็นนั้นจะนำไปสู่ประเด็นที่อธิบายในรูปยานสิบหก จึงก็หมายความว่าเรื่องราวของพระโมกขาลานานั้นยังมีประเด็นยังมีประเด็นที่น่าทําความเข้าใจแล้วก็ทําการศึกษาคําบางคําในีหเราไม่คุณคํามาร่วงส่วนเนี่ยมันพบในประสูตรเนี่ยพบในคาถามของพระมกขาลานะแล้วก็พบใน พระพุทธธรมรมหักจัดตอบแต่ว่าโดยความหมายก็คือว่ามันหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นอย่างสูงสุดจนไม่มีพูดไม่มีตัวตนเป็นผู้หลุดพ้นคนนี้ประสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมเทศนาที่ส่งแสดงนั้นมันก็เน้นไปที่ สบเบธมานาลางังปิเนเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อะไรมันก็ปล่อยเข้าไปตอนเสแดงก็ไปชุมกันอยู่เนี่ยก็ได้ยินทุกคืนเลยะไยินทุกคืนทุกคืนทุกวันน่ทั้งคืนทั้งวัน แต่เราก็ทํางานก็เราได้เราอ่านหนังสือก็เราได้เราตวจข้อสอบก็เราได้เราอัดเทปรายการได้ไมมีปัญหาใดๆเพราะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใครของคนนั้นนะทําไมเราจะต้องไปแบกรับจะถกจะปิดเป็นเรื่องของเขาเราก็ปล่อยเข้าไป เราก็ทํางานไปตอนนั้นฟังเราสังเกตว่าบางทีนี่มีเสียงรักขังบางทีมีเสียงสุนัขบางทีมีเสียงเด็กข้างนอกวัดมาวิ่งเล่นอยู่หลังกุตริกเราจะทํำไงโลกนี่มันเป็นอย่างงั้นไงโลกมันเป็นอย่างนั้น่งจะไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยมันก็ก็ทํายากนะ ทำยากเพราะว่าแม้จะมีห้องอัดเสียงอย่างดีก็ต้องลงทุนเยอะแหละแต่ว่าบรรยากาศแบบโลกเนี่ยทำให้เรารู้เห็นว่าเออโลกมันเป็นก็มันอย่างนี้เองแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจ ห, หลวงพ่อพุทธทาติทันเน้นเรื่องสเบ ธ, ธมานะาลังเวริสายานี่เน้นเยอะนะ แต่เราอย่าลืมว่าประเด็นนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวจะอยู่หัวก็รับสั่งไว้ก่อนจะสวรรคตวนัทเทตังโลกัสมิงยังอุปาดิยะมานังอนวัชชังอสัจสิ่งใดก็ตามที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มีเลย อะไรก็ตามนะที่เรายึดมั่นหรือมันเนี่ยไม่มีโทษไม่มีเลยแม้แต่ทรัพย์สมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัติสมมติเราสะสมทรัพย์สมบัติไปเยอะแล้วก่อนจะตายเนี่ยแทนที่จิตจะไปนเหนียวอกุศลกรรมต่างๆที่เราทําไปเยอะเนี่ยไม่เหนียวเป็นห่วงทรัพย์เจียดย้สตางค์อย่างอีกเยอะยังไม่ได้จ่ายเป็นห่วงทรัพย์ ยิดเศร้ามองเนี่ยด้วยโลภะก็ตายเป็นอาจจะเกิดปู่โสมข้ารัพย์อยู่บางทีนหนัากๆก็อาจจะเป็นเปรตเป็นติดจุูที่ทรัพย์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นอาการของโลภะอาการของมัจฉริยับแวก็สรุปว่าหลักการที่ทรงแสดงแน่นอนแสดงเพื่อ มรรคผลคือบรรลุอรัตนผลเป็นพระราหารันแต่ว่าหลักธรรมตั้งโบนั้นระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยกันทําได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นแต่ที่ทําไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีทําได้บ้างก็พยายามทําไปตามกําลังความสามารถของตนที่จะกระทาได้ก็แล้วกัน ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในบันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี